เราอยากให้คนอื่นมาอยากดีแทนอย่าให้คนอื่นมากังวลว่าอยากจะให้เราดีมันเป็นภาระให้ในความรู้สึกอยากดีเองไม่ว่าการไหนเวลาไหนที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นบางครัง้งบางข่าวนะมันมีอยู่ที่เรา บางขณะก็รู้สึกอยากจะดีหรอกแต่หลายๆขณะนั้นน่ะเรากคิดสร้างคิดเกียรติธรรมก็ไม่อยากจะดีอ่ะก็เลยไม่ภาวนาก็เลยไม่พยายามไม่ฝ่าไม่ปันกับความลําบากความอดความทนก็ไม่อยากอดอยากทนคือความอยากดีมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันมีทุกคนนั่นแหละเนี่ย ศาสตรใดที่เรายังกําลังดําเนินเดินไปอยู่นี่จะให้มันสบายทีเดียวนะมันไม่ได้หรอกคล้ายๆกับเรากําลังขึ้นบันไดนี่นะเรากําลังขึ้นบันไดศาตรใดที่ยังไม่ถึงข้างบนไม่ถึงบนบ้านมันก็ยังต้องใช้กําลังเหน็ดเหนื่อยในการยันตัวขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละการภาวนาเ น, นี่ยก็เป็นอย่างนั้น ที่เราจะถึงที่สุดคือไม่ต้องประกอบความเพียรอีกหรือไม่ต้องพยายามอีกไม่ต้องฝึกฝนอีกนั่นก็ถึงโน่นแหละถึงเราค้นจากความทุกข์ทั้งควงหนึ่งมันจึงจะหมดหมดหน้าที่หมดธุระเพราะฉะนั้นเราจะมางอมืองอเท้าจะอ่อนปวกเปียกมือระหว่างทางนี้ไม่ได้ทางเส้นนะี้มันเป็นทางของใครของมัน ไม่ได้คล้องในเกี่ยวกันเลยเราดูเถิดที่เรามานี่ก็มาจากบ้านใครบ้านมันไม่ได้ไปเกี่ยวกันสักนิดเดียวแ้วมาเพื่อตั้งใจมาทาทุกการทุกมันอันนี้มันแสดงถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมาเป็นของใครของมันถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็ชีวิตมันก็คนละคนละอ่านจิตคนละดวง การดำเนินมาเกิดอยู่ในโลกนี้นะเป็นการท่องเที่ยวของจิตของแต่ละดวงบังเอิญมาพบกันที่ยๆหดอกที่มาเนี่ยนะจริงๆแล้วจะต้องมีหน้าที่ของใครพวกมันจะมามัวยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวผูกพันกันอยู่ไม่ได้เราเนะี่ยส่วนมากมีแต่ไปยุ่งคนอื่นมีแต่ไปสนใจคนอื่นมีแต่ไปกังวลกับคนอื่นเป็นเหตุให้เสียเวลาเสียกําลังใจ คนอื่นที่ไหนมันจะได้ดังใจเรามันไม่มีหรอกจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราจะรักเราแค่ไหนหรือว่าเรารักท่านแค่ไหนมันก็ไม่ได้ดังใจหรอกไม่ได้ดังใจพ่อดังใจแม่ไม่ได้ดังใจเรามันจะต้องเอาของใครของมันถ้าเรารู้จักอันนี้รู้จักความหมายจริงจังของอันนี้แล้ว ภาระของเราธุาระของเราก็จะน้อยลงเปน็นอันมากทีเดียวถ้าเราเยอมรับอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้ภา ร, ะะราเวบรรจักขันธ า, านั้บนบรรจักขันทั้งหลายเป็นภาระเนี่ยมันไม่ได้หมายความเฉพาะนี่นะมันไม่ได้หมายความเฉพาะร่างกายนี่ตอนนั้นเราเป็นภาระภาระในโลกนี่เขาจะเห็นว่าได้หอบได้หิวได้แบกได้หามให้เป็นธุระนั่นแหละจึงจะเป็นภาระ เขานึกว่าเท่านั้นนะ่ะพวกเราควรจะมีความเห็นประเสริฐกว่านั้นละเอียดละอ้อเข้าไปกว่านั้นภาระในที่นี้ก็คือภาระในใจของเรานะนะั่นน่ะมันมีภาระอะไรบ้างหนักอกหนักใจเรื่องอะไรนั่นหละภาระท่านบอกปัญญขันเนี่ยมันเป็นภาระปัญญขันมันรวมถึงร่างกายรวมถึงจิตใจจิตใจของเราเนี่ยมันมีความ แต่ตายปรุงแต่งนั่นแล้วความปุงแต่งความแต่ตายนั่นนะมันเป็นภาระอยู่ใจเราคิดไปเรื่องต่างๆข้างนอกมันเป็นภาระทั้งนั้นสังเกต ด, ดูออกไปแล้วก็ไปจดไปจำเอามาเอามาแล้วก็มาคิดมาน้อกนัดใจนะไปเห็นคนนู้นก็ไม่ถูกตาคนนั่นไม่ถูกตาประพฤติปฏิบัติก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดี มันก็มาเรื่องที่ใครแล้วกอนเนี้ยเรื่องที่ใจน่นมันเป็นภาระมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะต้องเอามาเป็นภาระลองคิดดูดิมันเรื่องของเขาน่ะธุระจริงๆของเราคือภาวนากำหนดจิตของเราอยู่ในนี้ยาให้มันออกไปโดยทั้งไปดีแนละ้วออกไปแล้วเอามาไปเอามาเรืองไปเอามาขุนมาก้องมาปูมาพันมารักอยู่ในนั้นบางทีนะออกไปแล้วไปเอามารัก ไปเอามาปลูกพันไปเอามากางบนที่ท่านสวดเมื่อกี้เนะี่ยที่เราสวดกันเมื่อกี้ท่านว่าถ้าปล่อยวางภาระเสียได้ลราเป็นความสุขก็เราจะมาหาความสุขกันแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เราได้ถึงความสุขแน่แต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้ท่านว่าอย่างนั้นนะการยึดถือภาระเป็นความทุกข์แต่คนก็ยังชอบที่จะยึดถือไว้พวกเราก็เป็นอย่างนั้น นี่เราไม่เข้าใจคำว่าภาระไปนนึกว่าแบกหามจริงจะใช่ภาระความจริงจิตใจของเราที่ไปยุ่มไปเกี่ยวับอะไรไปผูกพันกันอะไรนั่นแล้วภาระถ้าเราตัดภาระคือความผูกพันต่างๆออกที่จากใจได้มันก็หมดทั้งนั้นแหละความลำบากความทุกข์ใจมันหมดการบรรลุหรือว่าการพ้นจากทุกข์ได้เราพ้นกันโดยใจ นี่พนด้วยใจได้โดยวิธีไหนก็โดยวิธีปล่อยวางภาระนี่แหละภาระต่างๆปล่อยวางออกเสียท่านปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกอารมณ์นี่ก็เป็นภาระปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกเสียได้จิตใจก็ได้รับความส่มเย็นเป็นสมาธินี่ก็ขั้นหนึ่งแล้วถ้าเราสามารถปล่อยวางความผูกพันต่างๆ ความอะไรต่างๆความผูกความพันต่างๆปล่อยวางได้ความยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางได้หมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นก็ถึงขึ้ความพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มันพ้นเกี่ยวกัอย่างนี้การที่เราเอามาสวดมาสวดท่องดูหลายข้างหลายกลาวเนี่ยถ้าเราได้พิจารณาให้ดูดูให้ดีมันมีประโยชน์มากถึงกูบาอาจารย์เราจะไม่อยู่ก็พุทธเจ้าไม่อยู่ พวกเราก็เอาคําสั่งสอนอันนี้แหละอย่างที่พวกเราท่องพวกเราสวดนี่แหละมาเป็นครูบาอาจารย์เอามาจะกิดตัวเองนีกวันนี่คําสวดนี่สวดไปทุกวันทุกวันเราพิจารณาด้วย ย, ย้อนกลับเข้ามาแล้วมันจะได้ประโยชน์มันมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ในนั้นคําสั่งสอนของพรูเตยเจ้าคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของพวกเรามันมีประโยชน์แอบอยู่ในนี้แฝงอยู่ในนี้พวกเราก็จะเกียดตะกายวิ่งหากันทั่ว ยิ่งไปตามสำนักต่างๆยิงไปตามภูเขาตามหุวยตามถ้ำตามเหงือที่ไหนไปทั่วประเทศก็ยังไม่พอไปต่างประเทศเลยไปหาอันนี้ลหละมันหาไม่พบเรี๋มันหาไม่ถูกวิธีที่จริงๆแล้วมา อ, อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าจิตใจเราเนี่ยจะปล่อยวางภาระเอาได้ไหมถ้าปล่อยวางภาระอันไหนเอาได้ก็สาบายเบาเบาภาระอันนั้น ถ้าปล่อยวางคาล้วเอาได้เสียจนหมดนั่นก็เลยว่าเป็นอิสระพบ ก, กับความพ้นทุกข์ทั้งปวงได้มันก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าได้คิดหวังไปข้างนอกเลยมดเสียเลิกเสียหวังไปข้างนอกกลับเข้ามามันจะได้หรือไม่ได้เราก็กำหนดจิตอยู่ในนี้แหละจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่ในนี้มันไม่ไปไหนอย่าส่างมันไป เก็บไว้ในนี้อยู่ในนี้ให้อยู่กับตัวอยู่กับตัวอยู่กับอารมณ์อะไรสักอย่างหนึง่งนั่นหละมีการฝึกสมาธิมันฝึกสมาธิแล้วประโยชน์ก็มีแล้วเรื่องมีแล้วได้รับความลมเย็นแล้วถ้าจะเรียกว่าความสุขก็เรียกว่าความสุขได้ขนาดหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าส่งใจไปไหนเลยอยู่กับนี้แหละ